ท่นอุเบขาทั้งสุขเวทนาทุกขเวทนาและอุเบขาเวทนานี้พระองค์กล่าวต่อไปว่าในสมัยใดได้ไดสเสวยสุขเวทนาในสมัยนั้นไม่ได้สเสวยทุกขเวทนาไม่ได้สเสวยอุทกขมสุขเวทนาได้สเสวยแต่สุขเวทนาเท่านั้นคนเราเนี่ยมันรู้สึกทีละอย่างนะไม่ได้รู้สึกพร้อมกันทั้งสองอย่างเลยนะไม่มีใครหัวเราะและก็ร้องให้พร้อมกันได้นะ ในสมัยใดได้เสวยทุกขเวทนาในสมัยนั้นไม่ได้เสวยสุขเวทนาไม่ได้เสวยอทุกขมสุขเวทนาได้เสวยแต่ทุกขเวทนาเท่านั้นในสมัยใดได้เสวยอทุกขมสุขเวทนาในสมัยนั้นไม่ได้เสวยสุขเวทนาไม่ได้เสวยทุกขเวทนาได้เสวยแต่อทุกขมสุขเวทนาเท่านั้นทีละอย่างทีละอย่างอคีเวสนะสุขเวทนาไม่เที่ยง อันปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดาอันนี้ก็เป็นตีรณปริญญาเมื่อกี้พูดเ ว, เวทนาอันเดียวปั๊บเนี่ยรู้ว่ากับปะหานัปริญญาอันนี้แล้วแต่กําลังของใครถ้าคนนั้นมียาตีรณปริญญาดีปะหานัปริญญามันต่อได้เลย คือมันที่เดียวกันนะมันแล้วแต่ความร้อนบางคนเนี่ยมันร้อนขึ้นสูงปื๊ดร้อนอันนี้ก็คืออาตาปีอาตาปะถ้าความเพียรที่ทำให้กิเลสมันร้อนสูงนะมันก็สามารถที่จะดับไอ้เยื่อใยอ น, นันได้เพราะมันตะบะและพรหมจรรย์เนี่ยนะคำว่าตะบะก็คือมันเป็นไฟอะ่ะมันแผดเผาเผาเชื้อคือโลภะเป็นต้นเออตอนนี้แสดงว่า ท่านทรงแสดงเวทนานุปัสนาใช่ไหมครัเจนิญใช่แล้วก็อยู่ในขั้นของติระนาปิญญาติระนาิญญาเป็นต้นก็หมายความว่าอเมื่อเวทนามีมานจึงมีอย่างนกันใช่ไหมครับเจนิญใช่เวทนาเป็นหัวฝีเวทนาไปอย่างนั้นใช่ไหมครับที่บัดเช้านี้คุยกันเจริญใช่ใช่เมื่อเวเมื่อเวทนามีมานจึงมีผู้ทําให้ตายจึงมีผู้ตายจึงมีไม่น่าเชื่อนะเมื่อเวทนาซึ่งเป็นโสมนัสเวทนานี่นะ ดูก่อนละพาเมื่อเวทนามีมารจึงมีผู้ตายจึงมีผู้ทำให้ตายจึงมีเธอจงพิจณาเวทนานั้นเป็นดุจลูกสอนเป็นหัวฝีเป็นความทุกข์เป็นเยอะแยะเลยใช่้ามใช่ไหมในต่อไปอีกนะแม้ทุกขเวทนาก็ไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งขึ้นนะาตอนนี้อาจจะไม่มีใครเสียใจแต่ทุกข์กายมีไหม ย, ยุงกัดอย่างนี้ ยงกัดนั้นเป็นโพธพารมไอทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในขณะที่เจ็บขณะที่ยุงกัดเจ็บเนี่ยนะอาศัยกายกับโพธะของที่เป็นยุงทำให้เกิดกายวิญญาณขึ้นถามว่ากายก็กายเที่ยงไหมไม่เที่ยงแล้วเวทนาที่อาศัยกายจะเที่ยงไหมไม่เที่ยงแล้วยุงมันจะกัดอย่างนั้นได้ตลอดไหมไม่ตลอดเพราะฉะนั้นนี่อาศัยปัจจัยนะอาศัยกายกับ โพธภารมนะ์น่ะกายะวิญญาณเจริเกิดแต่ต้องมองว่าทุกคนนั่งทําไมเขาไม่ถูกกัดกันอันนี้กรรมที่แตกต่างกัน น, นะทําบุญมาไม่เท่ากันนะเนาะคนทําบุญม า, มากบางคนทําบุญมาน้อยนั่งอยู่ในที่เดียวกันอีกคนหนึ่งเนี่ย โ, โหคันเป็นหวัดไปหมดไอ้คนหนึ่งนั่งสบายวิบากไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเวทนาก็สังคตะธรรมเรียกว่าเป็นของที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้น มันสิ่งใดก็ตามที่มีปัจจัยปรุงแต่งขึ้น น, นะถ้าปัจจัยก็คือพวกอวิชาตัญหากรรมผัสสะเป็นต้นนั่นแหละเป็นตัวปรุงแต่งให้เวทนาเกิดขึ้นเพรา ะ, ะนั้นเวทนาก็มีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดาไอ้ทุกขเวทนาอันนี้ก็สิ้นไปเสื่อมไปดับไปเป็นธรรมดาอันนี้ปัญญาต้องเข้าไปรู้นะอันนี้ความจริงอันนี้เนี่ยต่อเมื่อมีปัญญาเข้าไปเห็น จึงจะจึงจะรู้ได้ถ้าไม่มีปัญญาเข้าไปรู้อันนี้มันมันจะเจ็บอีกกี่ชาติมันก็ไม่รู้อะถ้าไม่อบรมปริญญาเนะีพราฉะนั้นทุกคนที่เจ็บปวดทุกคนก็ได้ดีกันหมดแต่ถ้าไม่มีการอบรมสัมมาทิฏฐิเป็นต้นแล้วไม่มีทางของเราเนะี่ยถ้าหากว่าไม่มีปริญญานะยุงกัดเจ็บฟีนะนะโท่สาเกิดอีกตัางหากทําเหตุใหม่แม้อทุคมสุขเวทนาก็ไม่เที่ยง อันปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดาอาคิเวสนะอริยาสาวกผู้ได้สะดับแล้วเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในสุขขเวทนาโอ้โหสา ม, มารถที่จะประมวลเวทนามาได้ทั้งหมดทั้งชีวิตเลยนะทั้งทุกขเวทนาทั้งอทุกคมสุขเวทนาเมือ่อาย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 ภิกษุผู้มีใจหลุดพ้นอย่างนี้แลย่อมไม่วิวาทแก่งแย้งกับใครๆโวหารใดที่ชาวโลกพูดกันก็พูดกันไปตามโวหารนั้นแต่ไม่ยึดมั่นด้วยทิฏฐิไม่สำคัญผิดด้วยอานาจทิฏฐิใดๆทั้งนั้นก็สมัยนั้นท่านพระสารีบุตรนั่งถวายงานพัดอยู่ณเบื้องพระปริศดางของพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้มีความดําริว่าได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัต ก, การละธรรมเหล่านั้นด้วยปัญญาอันยิ่งแกเราทั้งหลายได้ยินว่าพระสุคตตรัต ก, การสละคืนธรรมะเหล่านั้นด้วยปัญญาอันยิ่งแก่เราทั้งหลายสละคืนทิฏฐิสละคืนทั้งหมดเนี่ยนะเมื่อท่านพระสารีบุตรเห็นตรหนักดังนี้จิตก็หลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมันนี่สูตรนี้นะเป็นสูตรที่พระสารีบุตรบรรลุเป็นพระอรหรันต ธรรมจกักรสุปราสจากธุลีปราสจากมณทินได้เกิดขึ้นแล้วแก่ทีขนข ะ, ะปริพาชกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดายังกินจิสมุทยะธรรมมังสะพันธ์ทางนีโรตธรรมมังเป็นพระโสดาบันไปแล้ว ลำดับนั้นทีขัะนะคะปริภาชกมีธรรมะอันเห็นแล้วมีธรรมะอันถึงแล้วมีธรรมะอันทราบแล้วมีธรรมะอันอยังลงแล้วข้ามความสงสัยได้แล้วปราศจากความเคลือบแคลงถึงความเป็นผู้ ก, ล, กล้ามไม่ต้องเชื่อต่อผู้อื่นในคำสั่งสอนของภาษาสดาแสดงว่ายังถึงธรรมะที่สุดทุกแล้วก็คื อ, อยังถึงในผ่านแสดงว่าขั้นท่านเข้าถึงกระแส กระแสกระแสก็คือเป็นชื่อของกระแสเป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของอริยมรรคเนียกระแสเนี่ยเป็นชื่อของนิพพานใช่ไหมเพราะผู้ที่จะมีกระแสอันนี้ก็ต้องเป็นพระโสดาบันบุคคลแล้วพอพอไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยอย่างนี้แล้วก็ได้กราบทูลพระพผู้มีพระภาคเจ้าว่า ข้าแต่ท่านพระโคโดมภาสิทธิ์ของพระ อ, องค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่ท่านพระโคโดมภาสิทธิของพระ อ, องค์แจ่มแจ้งนักเปรียบเหมือนบุคคลงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางให้แก่คนหลงทางหรือตามปฏิทในที่มืดด้วยคิดว่าผู้มีจักษุจักเห็นรูปดังนี้ฉันใดท่านพระโคโดมทรงประกาศธรรมะโดยอเนกปริยายฉ น, นั้นเหมือนกันข้าข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสารณะ ขอท่านพระโคดมจงทรงจำข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะขอท่านพระโคดมจงทรงจาข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณ ะ, ะ, ร ะ, รณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป อ, อย่างนี้เรียกว่าโลกุตระสารณะคมะนะผู้ที่ได้อย่างนี้เนี่ยเป็นผู้ที่เข้าถึงโลกุตระสารณะคมในหน้าก้านะนะผู้ที่จะไปอินเดียคงจะเห็นสถานที่ที่พระพุทธภาคทรงแสดงพระสูตรนี้ ก็เป็นถ้ำอยู่ก่อนขึ้นบนเขาคิจกูดใกล้ๆ ก, กันต้องขึ้นไปก็ข้างบนก็เป็นที่ประทับของพระผู้วิภาคข้างล่างเป็นที่แสดงธรรมพระสูตรนี้ผู้ที่บรรลุรรพระอรหันต์คือภาษาลีบุตรแล้วก็บรรลุพระโสดาบันเป็นหลานใช่ไหมครับแล้วก็เป็นวันที่เป็นวันมาฆบูชาด้วยนะครับเป็นวันที่หลังจากนั้นแล้วก็ตอนค่ํำก็พระผู้วิภาทรงประชุม สง่งองรูปยรูปแสดงโอวาทาปฏติโมกในวันนั้นนะผู้ที่จะตัดสูุตามโดยพิจารณาเวทนาเนี่ยผมอยากให้ท่านอาจารย์ได้ลองสาธยายดูหน่อยที่ว่ายาตะปริญญาเนี่ยที่พิจารณาเวทนาเนี่ยทำไมเร็วจังเลยนะที่าตกะพิจารณาวัดเดียวเนี่ยโอ้โหรู้หมดเลยนวิเสสาลักษณะรู้ทั้งปัจจัยรู้ทั้งติ ปีละนะปริญยอดเร็วจังเลยอะ่ะนะครับทำไมเร็วอย่างนั้นนะครับแล้วก็อย่างเราเนี่ยจะตัดสรุปตามยังไงบ้างครับถ้าจำไม่ต้องเร็วอย่างนั้นนะครับเอาช้าๆก็ได้นะเอาเช้าๆาาไปแล้วนะคือในเรื่องเดียวกันเนี่ยน ะ, ะเราต้องไม่เอาเราไปเป็นเป็นผู้เปรียบเทียบว่าเอเขาเขารู้ทาไมเราไม่รู้งเงี้ย สมมุติถ้าหากว่าคนไปไปต่างประเทศอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาสามารถเล่าเรื่องต่างประเทศเป็นคุ้งเป็นแควให้ฟังได้หมดเลยเราฟังแล้วทาไมไม่เห็นว่ยเข้าใจเลยเขาเล่าให้คนที่เขาไปมาด้วยกันเขาฟังอ่ะเขาฟังแป๊บเดียวเขาก็ฟังรู้เรื่องแล้วว่ามันที่ไหนใช่ไหมเชียงใหม่แรกๆนะใครพูดถึงเชียงใหม่มาเนี่ยจําได้อยู่คําเชียงใหม่แค่นั้นเน่ยไม่รู้อะไรสักอย่างนะตอนหลังๆมาก็ได้เคยเห็นจดหมายยมผู้การก็บอกช้างเผือกได้อีกคํานึ่งนั่นะ ก็รู้อยู่แค่นั้นแหะใช่ไหมแต่อีกคนหนึ่งก็คุยเรื่องเชียงใหม่กันเป็นคุ้งเป็นแควเป็นตุเป็นตาไปหมดเลยนั้นถามว่าเออเชียงใหม่ก็ไม่มีสิ่งนั้นเราไม่รู้จักไม่ได้คําสอนในส่วนเหล่านี้ก็เหมือนกันคนเหล่านั้นเนี่ยเข้าสะสมมานานเลยภาษารีบุตรนี่หนึ่งอสงไข่เศษอีกแสนกับทีขั้ขะเนี่ ย, ยมีอาจารย์ท่านหนึ่งท่านเล่าให้ฟังว่าผู้ที่จะบรรลุเป็นพระโสดาบันนั้น หรือจะบรรลุเป็นผ้าริยะต้องต้องแสนกลับหมดท่านว่าอย่างนั้นนะแต่แต่ก็ยังไม่ได้ถามท่านว่ามีที่มาไหมบอกว่าผู้ที่จะบรรลุธรรมนั้นต้องต้องแสนกลับหมดะัร น, นแะของท่านนี่สะสมมาถ้าของเราเพิ่งนับหนึ่งะจะว่าไงถ้านับหนึ่งก็ยังไม่เรียบะน ะ, ะนะเมือม่อเมือ่อเมื่อไม่รู้สึกรีบก็ค่อยๆทำความเรียนรู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยยมมองเห็นเสาห มองเห็นเสานะเวทนาเป็นอะไรเนไเวทนาเป็นอุเบกขาพ่อเรียนมาหรือพ่อเห็นพ่อเรียนมา <laughs> ใช่เพ<ต><ต>ราะนัเราจะเห็นว่าการพิจารณาเวทนาก็คือเวทนาขันนั่นเองเพราะนั้นเวทนาทางตาเนี่ยทางตาสามารถมีได้กี่เวทนาเราก็ต้องศึกษาเพราะนั้นทางตานั้นน่ะ ถ้าจะขูวิญญาณสัมปติชนะจิตสันติระนาจิตส่วนใหญ่จะเป็นอุเบขาเวทนาเพราะทีนี้ทางมโนวิญญาณน่ที่เป็นชาวนาจิตในขณะที่เห็นส่วนใหญ่เห็นแล้วคิดอะไรเห็นแล้วดีใจไหมถ้าใหม่ๆเลยนะถ้าถ้าเราเป็นเจ้าของสถานที่เห็นทาสีปุ๊บโอโ้ยิ้มแป้เลยแต่ว่าเห็นปุ๊บโสมนัสเลยแตเห็นนานเข้ากับเฉยเหมือนกันนะส่วนใหญ่ก็เป็น อุเบกขาเวทนาทีนี้เวทนาเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นอุเบกขาหรือสมนัตก็อยู่ที่ว่าสีอ น, นั้นเนี่ยน่าชอบใจไหมถ้าสีนั้นน่าชอบใจเมื่อเป็นสมนัตสมนัตประกันลังหาอย่างนี้อยู่พอดีเลยอ่ะใช่ไหมเขาเรียกว่าเป็นสุภานิมิตจะเป็นสมนัตสีถูกใจว่างั้นหาอย่างเหมือนกับเราคนหาว่าถูกเข้าของอ่ะนะ ไปเจออ่าอยู่นี่เองยิ้มเลยเนี่ยเรียกว่าพอเห็นปุ๊บโสมนัตแต่ถ้าส่วนใหญ่นะเห็นถ้าเห็นคนรู้จักมาเนี่ยไม่เคยมาเลยเพิ่งเจอกันเห็นปุ๊บโสมนัตเลยโอมาด้วยเลยเนี่ยนะแต่ถ้าเห็นทั่วไปธรรมดาก็เห็นบ่อยๆเข้ากัเออธรรมดาอุเบกขานั่นแหละแต่ถ้าเห็นคนที่คนที่เราไม่ชอบเลยอะ่ะเช่นคนมาทวงหนี้เรานี่ชอบไหมเนี่ยไม่ชอบเลยอะมาทวงหนี้เงี้ยมาเห็นปุ๊บเนี่ย บโทรมนัทเกิดขึ้นเลยเนี่ยใช่ไหมหรือว่าเห็นคนที่เคยทําความเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งให้แกเราที่เราผูกใจเจ็บหรือว่าเห็นประปักเห็นฝ่ายตรงข้ามที่เราอาฆาตแค้นเนี่ยเห็นปุ๊บโทรมนัทจะเกิดขึ้นเลยอันในอารมณ์อันนั้นนี่ถ้าอารมณ์นั้นหน้าปรารถนาส่วนใหญ่เป็นโสมนัทอะโสมนัทอันนั้นเนี่ยโสมนัททีนี้มาวิเคราะห์ต่อไปว่าโสมนัทนั้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศล ถ้าเป็นกุศลเอากุศลมาจับก่อนถ้าเห็นปั๊บเนี่ยทานศีลภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นไหมเอาทานไม่เข็นไม่ให้คิดจะให้ไม่มีศีล ส, สังวรวิรัติไม่มีนี่ก็ถามว่าถ้าเป็นภาวนาถ้าเป็นวิปัสสนาภาวนามียาตะปริญญาไหมนะมียาตะปริญญาตีระปริญญาในอารมณ์นั้นไหมในสีนั้นไหมว่าสีนี่มีกี่รูปปัจจัยอะไรที่ทาให้ให้สีนี้มีขึ้น อันนี้เป็นพวกยาตะปริญญาก็เป็นประเภทภาวนาอย่างหนึ่งเหมือนกันหรือเป็นสมถะภาวนาเนี่ยเห็นแล้วโทสะไม่เกิดเช่นมีเมตตาไหมรู้สึกเห็นคนเขาทําเสียหายแล้วเราไม่โกรธอะไรงนี้ก็เป็นพวกเมตตาไปก็เป็นทีนี้ถ้าภาวนาไม่เป็นเลยอ่ะแต่เห็นแล้วเป็นโสมนัสอย่างนี้ก็เป็นโสมนัสแบบโลภตีได้เลยว่าเห็นเนี่ยโลภใช่ไหมโลภอนั้นเนี่ยมีทิฏฐิเกิดร่วมด้วยไหม สามารถที่วิเคราะห์ต่อไปได้ว่าถ้าทิฏฐิเกิดร่วมด้วยจะคิดยังไงสกายะทิฏฐิมีไหมเห็นเสาโดยความเป็นตนมีมไหมเห็นตนเป็นเสาเห็นเสาเป็นตนไม่มีงั้นสกายะทิฏฐิไม่เกิดสัสตาทิฏฐิสำคัญว่าเสาเนี่ยเที่ยงนะนนก็ไม่ได้คิดถ้าไม่คิดก็ไม่มีมัน้นก็เป็นอุเบกขาแบบเป็นโลภะแบบโสมนัปทั่วไป นี่ไอโลภะโสมนัสเอกนะมีการเปรียบเทียบนะเสาบ้านเราดีกว่าบ้านอื่นไหมถ้าไม่มีการเปรียบเทียบมานะก็ไม่เกิดนั้นก็เป็นโลภะวิปปยุทธทั่วไปอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ถ้าถ้าเราเข้าใจเรื่องเวทนาปั๊บสา ม, มาที่จะวิเคราะห์ไปหาสัมปยุต ธ, ธรรมอื่นๆต่อไปด้วย mm hmm. ความรู้อันนี้เป็นเรื่องของยาตะปริญญาทีนี้เราก็คิดต่อไปทําไมเห็นแล้วจึงเฉยหรือเห็นแล้วทําไมจึงเป็นโสมนัส ก็ดูว่าอุปนิสัยเราคิดเรื่องยังไงกับเสาเรื่องนี้เราให้ค่ากับสีอันนี้ลักษณะไหนนะถ้าให้ค่ามากว่าจะต้องหาแบบนี้ให้ได้ก็เป็นปัจจัยอันนั้นเป็นอุปนิสัยอย่างหนึ่งมาเขาเรียกว่าปกตู ป, ปนิสยปัจจัยในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเสาภาษานี้ยเรียกว่าเรามีข้อมูลในเรื่องเสาเนี่ยก่อนหน้านั้นเป็นยังไงมาก็จะทําให้ขณะเห็นปั๊บเนี่ยก็เป็นไปตามอุปนิสัยที่เราเคย ซึ่งภาษาไท ย, ไทยชอบใช้คาว่าสัญญามีสัญญาในเรื่องนั้นเป็นยังไงพอเห็นปั๊บก็เป็นไปตามสัญญาเก่าอันนี้แหละสัญญาเก่าแบบภาษาปัจจัยเลยไม่มีมีแต่ปากตูปะนิสยปัจจัยนต้องดูว่าภาษาไหนถ้าภาษาชาวบ้านคุยกันเรียกว่าแล้วแต่สัญญาเก่าถ้าภาษาทางเราเรียกว่าปกตูปนิสยปัจจัย ดีกว่าเคยชอบหรือไม่เคยชอบเจริญพเคยชอบหรือเคยชังหรือเคยเฉยมาหรือเคยถูกตีมาที่หน้าผากทิ้งเคยเดินชนมาทิงอย่างนี้ใช่ไหมเคยเดินชนมาทิ้ง่หมายว่าเป็นประกตูทั้งนั้นเจริญพรถ้าเคยใครเคยเดินชนเหลี่ยมเสาเนี่ยพอเห็นเสาปั๊บจกไม่เคยชอบเลยเห็นเหลี่ยมปั๊บเนี่ยโทกสะจะเกิดขึ้นไม่ชอบใช่ไหมพรตะเวทนาก็ขึ้นอยู่กับเหตุนกับอารมณ์ด้วยเออส่วนหนึ่งนะอารามณะปัจจัยก็คือสีใช่ไหม อุปนิสัยปัจจัยก็คือของเก่าอะสะสมมาในเรื่องเหลี่ยมแบบนี้ยังไงมาเวทนาเกิดขึ้นต้องมีสีเป็นอารมณปัจจัยของเวทนาและก็สัมปยุตรธรรมของเวทนาก็กล่าวไปเมื่อกี้ใช่ไหมปัจจัยของเวทนาทีนี้ในปัจจัยของเวทนานั้นเนี่ยเราก็มาวิเคราะห์อีกครั้งว่าเวทนานั้นเป็นชาติวิบากหรือชาติชาติกุศลหรืออกุศลถ้าเวทนาชาติวิบาก เวทนาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโดยปัจจัยของเวทนาก็คือภาษานะเพราะภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาต่างกันเพราะอะไรต่างเพราะภาษาต่างภาษะต่างเพราะอะไรต่างเพราะเพราะธาตุต่างจากขุธาตุต่างกันโรูประธาตุต่างจากขุธาตุของเราเนี่ยอันเดียวนะแต่ว่าสีต่างเวทนาก็ต่างเขาเรียกว่าธาตุต่าง รู ป, ปราธาตุต่างจากขูวิญญาธาตุก็ต่างอันภาษะก็ต่างเวทนาก็เลยต่างไปด้วยต่างไปด้วยเพราะต่างเงี้ปุ๊บเนี่ยนะเราก็จะเริ่มเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีองค์ประชุมพร้อมของเขาถ้าอย่างจากขูวิญญาเนี่ยเวทนาจะเกิดขึ้นได้ก็ต้ององค์ประชุมของเขาก็คือจากขูปัสสาทรูปสองรูปารมณ์สาจากขูวิญญาณ นะแล้วสามอย่างประชุมกันเรียกว่าภาษาภาษะอันนั้นแหละก่อให้เกิดเวทนาในขณะนั้นขึ้นทีนี้ปัตูปะนิสยะปัจจัยของเวทนาอันนั้นก็ได้แก่อะไรบ้างะแสงสว่างก็ถือว่าเป็นปัตูปะนิสยะปัจจัยชาวนะดวงก่อนก่อนนั้นก็ถือว่าเป็นปัตูปะนิสยะปัจจัยพวังดวงก่อนทั้งหมดก็ถือว่าเป็นปกตูปะนิสยปัจจัยนั่นแหละ แม้แต่แสงสว่างก็ยังเป็นประตูกรรมในอดีตก็เป็นนานักขาคณิกะตรรมะปัจจัยถ้ากรรมอันนั้นมีกําลังกรรมนั้นก็เป็นประตูปะด้วยเจตนากรรมอันนั้นก็เป็นประตูปะนิสยปัจจัยด้วยนั้นเวทนาเนี่ยอาศัยองค์ประชุมตั้งเยอะอย่างเงี้ยถ้าองค์ประชุมอย่างใดอย่างหนึ่งไม่มีเวทนาก็ก็ไม่มีก็ไม่เกิดจักรูไม่มีเวทนาก็ไม่มีสีไม่มี เวทนาก็ไม่มีสีเปลี่ยนเวทนาก็เปลี่ยนกรรมไม่ ม, ม, มีเวทนาก็ไม่มีก็เสียงมันมีอ่ะแต่เราไม่ได้ยินมีเยอะนะเพราะไม่มีวิบากพอที่จะได้ยินเรื่องนั้นหรือในหนึ่งก็ไม่มีมณสิการกรรมพอที่จะทําเป็นปัจจัยอ่ะพอมีอยู่คล้ายๆกับสตังเนี่ยพอมีอยู่แต่ไม่ซื้อนั่นแหละอะวัตถุอีกเหมือนกัน ชั้นในก็ดีทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่นะถ้าอยู่ในบรรยากาศคล้ายๆกันเนี่ยมันทํากรรมมาเหมือนกับเท่าๆกันคล้ายๆกับทุนเนี่ยมีเมืาเท่าๆกันนั่นแหละแต่ทําไมอีกคนหนึ่งซื้ออีกคนหนึ่งไม่ซื้อก็ก็คือไอ้คนรู้ไม่รู้ก็เหมือนกับซื้อหรือไม่ซื้อซื้อไม่ซื้ออันนี้ก็มาจากเขาเรียกว่าประโยคะต่างกันในสิ่งเดียวกันเนี่ยถ้าคนหนึ่งมีประโยคะเช่นตั้งใจอยากจะฟังดูเอ๊เสียงมีเสียงอะไรบ้างม่เสียงรถอันนี้ชื่อว่ามีประโยค่ที่จะทําให้ โสตะวิญญาณได้ยินเสียงแต่คนหนึ่งไม่ได้สนใจคิดจะได้ยินเลยสนใจแต่ธรรมดาข้างหน้ามันก็จะไม่ได้ยินเสียงอันนั้นเธอเรียกว่าไม่มีประโยชน์คะไม่มีประโยคะอันปัจจัยก็มีทั้งหลายอย่างด้วยกันถ้าปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งไม่มีเวทนาอันนั้นจะไม่มีเลยทางตาก็เหมือนกันทีนี้พอเรามีความเข้าใจายอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็สามารถที่เวทนาบางอย่างเป็นกุศลเวทนาบางอย่างเป็นอกุศล เวทนาที่เป็นกุศลเพราะเป็นเวทนาที่ไม่มีโทษและเป็นประตูปั่นิสยปัจจัยให้ได้รับความสุขต่อไปข้างหน้าถ้าเวทนาอ น, นั้นเป็นอกุศลก็เป็นประตูปันิสยปัจจัยให้ได้รับความทุกข์ในข้างหน้าเพราะเวทนาเกิดร่วมกับเจตนาเจตนาเป็นตัวนานะขักคินิก ก, กรร ม, มปัจจยัยพอเราก็เข้าใจายอย่างนี้ป๊บโดยแง่มุมต่างๆของเวทนาหมดแล้วก็เราก็ เห็นโทษของเวทนาเพราะเวทนามันเป็นการเกิดขึ้นประชุมขึ้นอ่ะถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งขาดไปเวทนาก็ไม่มีเมื่อปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งไม่มีถามว่าเวทนานี้ถามว่ามันดีไหมมันก็เป็นของที่ไม่ดีจากถ้าปัจจัยไม่มีสิ่งนี้ไม่มีนั่นแหละเรียกว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เพราะอยู่สภาพเดิมไม่ได้พราะเวทนามันจะพร่องอยู่เป็นนิด เพราะเวทนานี่แหละทำให้สัตว์ทั้งหลายคิดว่าพร่องพอเห็นแล้วเวทนามันเกิดนะเอ๊ะจะหาอะไรมาเพิ่มดีจำไปในสิ่งเดียวกันนี้เห็นต้นไหมมันน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้เพราะมันเกิดจากความพร่องนะทั้นเวทนานั้นมันจึงพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จากอิ่มด้วยอานาจแห่งตัณหาเพราะเวทนาถือว่าเป็นปกตูเป็นเป็นอุปนิสัยอ่าเป็นเป็นอุปนิสัยไหมคำว่าเป็นทั้ง ประตูปนิสยปัจจัยเป็นทั้งอารัมมณูปนิสยปัจจัยเป็นทั้งอนันตรูปนิสยาปัจจัยที่ทําให้เกิดตัณหามันสองคัญมากนะตัณหาจะเกิดไม่เกิดอยู่ที่เวทนาถ้าเวทนาอันนั้นเป็นสุขเวทนามันอยากให้เป็นอย่างนั้นอีกนานๆถ้าเวทนาอันนั้นเป็นอุเบกขาอุเบกขาบางอย่างคนก็ชอบอยากให้เป็นอนั้นบางนั้นบางคนไม่ชอบอยากให้เปลี่ยนไปเป็นสุขเวทนา ถ้าคนที่เป็นทุกขเวทนาก็ตันหาอีกแล้วแหละมันไม่อยากให้มีเวทนานั้นต่อไปอยากได้เวทนาใหม่ขึ้นมาเะนั้นเวทนานั้นจึงเป็นอุปนิสัยปัจจัยทั้งสามชาติเลยทั้งปกตูปนิสยชาติอนันตรูปนิสยชาติและก็อารัมมณูปนิสยปัจจัยมันเป็นได้ทั้งสามอย่างเลยเะนั้นทาทุกอย่างเพื่อสแสวงหาเวทนาเพื่อที่จะมาให้เวทนามันมี ท่นเวทนานั้นเป็นธรรมชาติที่เสวยอารมณ์แต่เวทนาเนี่ยมันเป็นเหตุใกล้ที่สําคัญต่อตันหาตันหาก็มีเจตนาเกิดร่วมด้วยตันหาเป็นปกจตูปานิสยปัจจัยเพื่อปฏิสนธิพบใหม่เจตนาตัวนั้นเป็นนานักขะขนิกกรร ม, มปัจจัยก่ปฏิเป็นตัวตัวให้ปฏิสนธิใช่ไหมนันวัตตะสงสารก็เป็นไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่างนี้พิจารณาลักษณะนี้เป็นยาตะปริญญา ความเข้าใจอันนี้เป็นยาตะปริญญา